ไ <c oughs> ม่ใครไปตามลกตาแล้วหรือยังกำลังมาห ล, อล่อลงตาแป๊บเดียวพูดเท่ า, าบางที่ก็ลงหลงลื ม, ลมไปไหนมาไหนก็ลำบากอายุก็ยเยอะขนาดเราอายุย เ, าายเท่านี้ก็ยังลกยากไปยากมายาก <c oughs> ล อ, อีกจากพับหนึ่งจากพับนึงผนฟ้าก็กำลังจะเริ่มลงมาแล้วไปปักธงชัยกลับมาเมื่อวานไปดูแลเรื่องการปลูกต้นไม้ไปได้ประมาณหมื่นกว่าต้นต้นชมพูพันทิพตต้นนางพญาเสือโครงก็จะไล่ปลูกไปเรื่อยๆภายในห้ารอกว่ลไร่ ให้เป็นดงดอกไม้ใหญ่ของประเทศส่วนวางรากฐานของมหาเจดีย์ก็ขุดบ่อทมดินทมที่ไปเรื่อยๆแต่ว่าสูงประมาณจากบนยอดเขาให้สูงขึ้นไปอีกประมาณสักิบห้าเมตรสิบเมตรกว้างประมาณ ร้อหเมตรเป็นเจดีที่ใหญ่ใหญ่กว่าที่นี่สองเท่าพากันค่อยดำเนินไปค่อยทำไปเรื่อยๆภายในสิบยี่สิบปีให้เสร็จถ้าไม่เสร็จก็รุ่นหลังก็จะได้สานต่อนี่โอกาสก็ขอเชิญพี่น้องเรามาร่วมกันมาช่วยกันไม่ว่ายุี่คนเก่ง หรือว่าอยู่ที่ไหนโอกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิดพวกเราได้สร้างอา น, นิสงส์สร้างบุญสร้างคุณงามความดีฝากเอาไว้ให้เป็นสมบัติของส่วนรวมให้เป็นสมบัติของส่วนกลางเรามีกําลังมากเราก็ได้ช่วยกันทั้งกำลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์หลวงพ่อขอขอบคุณทุกคนที่ได้มาช่วยกัน บุญระดับสมมุติเราก็ทำนาทีของเราให้ดีส่วนระดับบีมุติสมมุติกับบีมุติก็อาศัยกันอยู่เราต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องการเจริญสติอบรมใจของเราให้อยู่ในกองบุญไม่ปล่อยวันเวลาทิ้งตามแนวทางคำสอนของพระพุทธองค์กันสอนเรื่องอการดำเนินชีวิต อัตตาเป็นอย่างไรอนตรัตตาเป็นอย่างไรการแย่งรูปเวีย่งนาม <c oughs> การขัดเก่ากิเลสกิเลสหยาบกิเลสละเอียด <c oughs> ท่านใดคนพบออกมาเปิดเผยจำแนกแกะแหะเบนเสร็จแต่ว่าพวกเราจะดําเนินอยู่ในระดับไหนกันเท่านั้นเองก็ต้องพยายามสร้างอานิสงส์สร้างบา ร, รมีให้มีให้เกิดขึ้น จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายคือความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นไม่หลุดพ้นวันนี้ก็ต้องหลุดพ้นวันพรุ่งนี้เมือ่อเดนนี้เดือนหน้าปีหน้าไม่หลุดพ้นจริงๆก็ไปต่อพบหน้าเพราะว่าตราบใดที่เรายังดาเนินอยู่ขึ้นอยู่กับอา น, นิสงส์แห่งบุญอา น, นิสงส์การสร้างบุญบารมีความเชสละของเราเต็มเปี่ยมหรือเปล่า ความขยันมันเพียนของเราความรับผิดชอบของเราความเสียสละของเราเป็นคนขยันมันเพียนมันทำความเข้าใจทุกเรื่องตั้งจะตื่นขึ้นมาจากวันหนึ่งเราก็คงจะมองเห็นทางจิตใจของเราแยกรูปแยกนามลายจากขันห้าได้เมื่อไรเราก็จะเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนเรื่องอะไร สอนเรื่องของเราไม่ใช่สอนเรื่องของคนอื่นสอนเรื่องกายเรื่องใจของเราอะไรคือรูปอะไรคือน้ำการเดินปัญญาการแยกรูปแยกนามท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในวิญญาณในขันห้ากับมาวิญญาณในขันห้าของเราเป็นอย่างไรที่ท่านบอกว่าเป็นกองเป็นขัน คำสอนแนวทางท่านชีน้แนะเอาไว้หมดเรียนเสร็จแต่ว่าเราจะดำเนินตามให้ถึงจุดหมายปลายทางท่านถึงบอกให้เชื่อไม่ใช่ว่าเชื่อแบบหลงงมงายต้องเชื่อด้วยเหตุด้วยผลรู้ด้วยเหตุด้วยผลเหตุผลทางด้านสมมุติเหตุผลทางด้านวิมุตสมมุติกับวิมุตก็อาศัยกันยค ทุกสิ่งทุกอย่างก็ร่วนแต่มีเหตุมีผลมีเหตุเหตุอย่างนี้ผลออกมาอย่างนี้ทำอย่างไรเราถึงจะอยู่เหนือเหตุเหนือผลก็ต้องพยายามกันไม่ไม่เหลือวิสัยมีโอกาสวันที่สองกรกดาสองเดือนหน้าที่จะมาถึงเราพวกเราเราก็มีโอกาสบอกกล่าว มาน้อมถวายองค์พระพุทธรูปที่ช่วยกันสร้างให้กับทางโรงเรียนแล้วก็ทำพระประมาร่วมถวายเพื่อเรียงเพื่อที่จะสร้างมหาเจดีย์ใหญ่พุทธเมตตาหลวงท้ายวัดของเราก็ดำเนินไปเรื่อยๆอยยอมมีทองก็นำทองมาเพื่อที่จะหล่อหลอมไอชัดมหาเจดีย์ ก็ขอขอบคุณทุกคนขอบคุณทั้งเหล่ามนุษย์ทั้งเหล่าเทวดาที่ได้มาช่วยกันเรามีโอกาสมากน้อยมีกำลังเราก็ช่วยกันไม่ได้สูญหายไปไหนจนกว่าจะหมดลมหายใจคิดดีทำดีการกระทำของเราให้ถึงพร้อมถึงจะเกิดประโยชน์พระเราก็เหมือนกันทีเราก็เหมือนกัน ก่อนที่จะพูดก่อนที่จะคิดว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์พยายามทำความเข้าใจศึกษาตัวเราให้รู้แจ้งเห็นจริงภายในใจของเราไม่ใช่ว่าเอาแต่แต่ทะเลาะบอแวงกันเตื่องไล่สาระแต่ละวันแต่ละวันแทนที่จะแก้ไขตัวเอง กับไปทะเละาะเบาแวงกันไม่เกิดประโยชน์ถ้าจะทะเลาะก็ต้องทะเลาะกับกิเลสภายในแก้ไขกิเลสภายในของเราจริงอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านอยู่กันคนละทิศละที่ละทางมาอยู่ร่วมกันเราก็ยิ่งเพิ่มความสมัรสมานสมัครคีมีอะไรเราก็ช่วยกันทำไม่ใช่ว่าจะเอาแต่จริงดีชิงเด่น เอาตั้งแต่ในความเจ็ดคลานเขาขอบงำกายก็ไม่รู้จักรักษาใจก็ไม่รู้จักรักษามันจะเดินถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรก็ต้องพยายามกันทั้งคาาวะหยัดยมโอกาสก็ได้เปิดสถานที่ก็เปิดได้มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์ความหลง หลงมาอยู่ในภพมนุษย์พอที่จะได้พร่ำสอนตัวเองได้ถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดความหลงนี้มีมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์หลงวนเวียนอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เพียงแค่การเกิดของใจนั่นก็คือความหลงความหลงอันลุ่มลึกถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดมาเกิดอยู่ในภพมนุษย์ก็มายึดมาติดมาสร้าง วิบากทับดวงจิตของตัวเองอีก <S <S. <S ก็พยายามแก้ไขถ้าหลงก็ให้หลงอยู่ในคุณงามความดีก็ต้องพยายามกันอปากันดูดีๆนะพระเหล่าชีรพิจารณาปฏิสังขาโย وم, แงแต่งจะตื่นขึ้นมาพิจารณากายพิจารณาใจใช้ปัญญาพิจารณาจนกระทั่งถึงเวลานี้ดนเดี๋ยวก็เดี๋ยวนี้ เราต้องจำแนกแกะแก่งความอยากความหิวกายเกิดความหิวใจเกิดความอยากทั้งอยากทั้งหิวเราต้องเจริญสติเข้าไปดูเข้าไปรู้ถ้าใจเกิดความอยากก็รู้จักหยุดรู้จักดับรู้จักควบคุมควบคุ ม, คมไม่ได้ก็ไม่ทำตามปล่อยให้ดับปล่อยให้เขาจบเราก็เอาอันใหม่ ไม่ใช่ว่าจะไปรอผลัดวันประกันพรุง่งความคิดตัวไหนเกิดก่อนก็ดับตัวนั้นแหละจนกว่าใจจะคลายออกจากขันห้าคลายออกจากขันห้าภาษาธรรมเรียกว่าแยกรูปแยกนามพลิกจากสมมุติไปหาวิมุติเหมือนกับายของที่ควม่มถ้ายังแยกไม่ได้ตามดูไม่ได้ก็พยายามควบคุม ควบคุมอารมณ์ควบคุมใจของเราโดยใช้สมถะนี่คือให้สงบอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสงบอยู่กับลมหายใจนี่ก็ต้องพยายามปลึกผลตัวเราให้เกิดความเคยชินให้เกิดความชำนาญการเจริญสติการสร้างสติก็เพื่อที่จะเข้าไปคลายความหลงคลายความหลงแล้วก็เพื่อที่จะขัดเกาละกิเลส ออกจากใจของเราดับความเกิดของใจของเราหนุนกำลังสติปัญญาไปทําหน้าที่แทนไปเกิดแทนความเกิดถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดหลงหลายชั้นหลงในขันห้าหลงในรูปรถกลิ่นเสียงหลงในโล ก, กธรรมหลงในความเกิดหลงดีหลงชั่ว เราก็ต้องพยายามวิเคราะห์พิจารณาความเกิดความดับของใจของเราถ้าจเจริญสติให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงเราก็อาจจะเข้าเห็นอาจจะเห็นสักวันหนึ่งจนได้เพียงแค่การจเจริญสติก็ยังทําไม่ต่อเนื่องก็เลยเดินปัญญาขั้นสูงการขัดเก่ากิเลสการละกิเลสการดับความเกิด ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่ากําลังสติของเรามีไม่เพียงพอกําลังสติของเราถ้าแยกได้เห็นได้ตามดูได้ถ้าทําความเข้าใจให้ถูกต้องกําลังสติก็จะพุ่งแรงตามดูตามรู้ตามเห็นหมดความสงสัยหมดความลังเลในคําสอนของพระพุทธองค์ว่าอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรดําเนิน เราก็จะมองเห็นหนทางเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องคำว่าอัตาอาอตาเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นอย่างไรตนเป็นที่พึ่งของตนเป็นลักษณะอย่างไรนี่เพียงแค่ระดับสมมุติเราก็พยายามพึ่งตัวเราให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นความจริงสัจจะสมมุติสัจจะวิมุตติหมดเหตุผลทางสมมติเหตุผลทา ง, มมทางวิมุตติหมด สมมุติเราก็ทำให้บริบูรณ์ในสิ่งที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวให้สมมุติของเราไม่ได้ลําบากรู้จักแก้ไขรู้จักพิจารณารู้จักหารู้จักใช้รู้จักเก็บอาศัยสมมุติอยู่จนกว่าจะหมดลมหายใจสมมุติภายนอกสมมุติภายในสมมุติภายนอกก็คือโลกธรรมสมมติภายในก็คือตัวกายของเรานี่แหละ เป็นสนามรบอย่างดีแต่ละวันแต่ละวันให้กิเลสมันเข้าครอบครองก็เลยลำบากต้องให้สติให้ปัญญาชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลอยู่ด้วยปัญญาล้วนๆอะไรที่เป็นประโยชน์เราก็รีบทำทำมากทำน้อยนี่ก็มีอานิสงส์ทั้งนั้นในการขัดเก่ากิเลส อย่าพากันผลัดวันประกันพรุ่งวัดโน้นถึงจะทำวันนี้ถึงจะทำอย่างนั้นยังเป็นบุคคลที่ประมาทถ้าเราสอนเราไม่ได้ไม่มีคนไหนที่จะสอนเราได้เลยนอกจากตัวของเราธรรมธรรมะนั้นมีมาตั้งนานมีอยู่กับทุกคนธรรมชาติของใจที่ปราศจากกิเลสก็บริสุทธ ธรรมชาติของใจที่ไม่เกิดเขาก็นิ่งแต่เวลานี้ทั้งเกิดทั้งวิ่งทั้งหลงสารพัดอย่างหอ่อหุ้มทับผมดวงใจตัวเราอยู่สมมุติก็มาทับถมเอาไว้กิเลสหยาบกิเลสละเอียดก็มาทับผมเอาไว้นี่มันก็เลยหลายชั้นหลายขั้นหลายตอน แต่ก็ไม่เหลือวิสัยนี่สำหรับบุคคลที่มีความเพียรสำหรับบุคคลที่ที่ฝักใฝ่สนใจการสร้างบรารมีความเอสละขัดเก่ากินเลสมีความจริงใจมีสัจจะขยันมันเพียรสักวันหนึ่งเราก็คงจะเข้าถึงเราก็อาจจะเห็น ก็ต้องพยายามกันไม่เหลือวิสัยมันพัฒนสอนใจของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราสอนเราไม่ได้ไม่มีใครจะสอนเราได้หลอกนอกจากตัวเราเราจะเริญนสติไปสอนมันพัฒนสอนใจของเราทุกคนก็มีบุญอยู่ในระดับของสมมุติถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญระดับหนึ่งแต่ก็อย่าหลง เราก็มาเจริญสติลงที่กายชี้เหตุชี่ผลเห็นเหตุเห็นผลรู้ไม่ทันก็ต้องพยายามหยุดพยายามดับแต่ละวันแต่ละวันใจของเราเกิดสักกี่เที่ยวขันห้าพุดขึ้นมาปรุงแต่งใจของเราสักกี่ครั้งปัญญาเราที่เราสร้างขึ้นมารู้เท่าทันหรือไม่แม้แต่ตัวใจยังหลอกตัวเองใจหลอกใจหรือว่าจิตหลอกจิต สติปัญญายังลอกตัวเราอีกตราบใดที่ใจยังคลายยังแยกรูปแยกนามเดินปัญญาขัดเก่ากิเลสละกิเลสไม่หมดจดมันก็เล่นงานเราอยู่อย่างนั้นหละแม้แต่เรื่องการทำคุณงามความดีก็เป็นกิเลสป่ายดีเราก็พยายามให้อยู่ในคุณงามความดีก็ยังดีกว่าจะไปตกทุกข์ ในทางอคุศลเราพยายามละอคุศลเจริญกูศ ล, ศลสูงขึ้นไปก็ละวางทั้งบุญทั้งบาปแต่สร้างบุญอยู่กับบุญแต่ไม่ยึดติดในบุญเราก็จะอยู่กับบุญตัวใจของเรานั่นแหละความสุขนั่นแหละคือตัวบุญใจที่ไม่มีกิเลสใจที่สะอาดใจที่บริสุทธิ์นั่นแหละคือบุญ ถึงเราเละกิเลสไม่ได้หมดจดก็พยายามสร้างอา น, นิสงส์สร้าง บ, บารมีของเราไปสักวันหนึ่งก็คงจะเต็มความอิ่มความทะเยอทยานยากความหิห้โหยทางนั้นจิตมันก็จะเหือดแห้งไปก็เหลือตแต่บริหารกายของเราไปให้ถึงวาระเวลาเขาก็ต้องแตกดับเพราะว่าคนเราเกิดมาเท่าไหร่ตายหมด ไม่ตายช้าก็ตายเร็วไม่ว่าผู้ดีมีจนก็ถึงวาระเวลาก็ต้องตายหมดมารับอโลงทุกวันช่วงที่ไปสองสามวันนี่ก็มา 3, สามสี่ศพสามี่โลงแ1ดรอสิบกว่าโลงแหละที่อนุขเคราะห์ให้ความตายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่มาทุกวันเดือนหนึ่งก็ตกประมาณ 24-25 บบาศพบางทีก็28ก็มีอนุเคราะห์ให้ทำบุญให้ช่วยเหลือให้ญาติโยมบางคนบางท่านก็มาบริจาคลงศพบางคนบางท่านก็มอบทุนทรัพย์นันนศรับปรับปัปจจัยมาช่วยก็อนุเคราะห์ให้ศพละห0 0พันทั้งลงทั้งผ้าไตจกีวรทั้งผ้าขาวทั้งดอกไม้ทุกเทียน ไปช่วยจัดงานศพให้ไม่ให้ลำบากแ0 0รอกว่าภายในปีนี้ก็อาจจะกว่าจะถึงออกพรรษานี่ก็คงกัดอาจเป็นเก้าร้อยหรือ0ันนี่แหละเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ยามเจ็บยามป่วยยามตายบางทีอยู่คนละจังหวัดมาตายที่คอนแก่นก็ไม่มีทุนทรัพย์ที่จะมาช่วย ก็มาขอรับบริจาค ย, ยมมาจากไหนเข้ามาข้างในมาจากไหนการผู้เท่ามาจากไหนการมาจากไหนการฮะมันนหม่ที่ไหนนะเออมาตั้งแต่เช้ามาเที่ยวมาชมดีจังฝากไวในบนุญอายุก็ จำอายุตัวเองได้หรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ใช่โกหกหรือเออเอออ้าวความจํำยังดีเอยยังดีเออนั่นแหละความจํำยังดีก็พยายามระลึกนึกถึงบุญสร้างบุญอะไรเอาไว้ก็ระลึกนึกถึงอะไรที่ไม่ดีถ้าเรานึกถึงแล้วนาความทุกข์มาให้เราก็พยายามละไม่ให้คิด มีครั้งหนึ่งมีข้าว บ, บดีที่คอนเจ่นรวยมากมีลูกสาวลูกชายแต่ลูกสาวลูกชายไปอยู่เมืองนอกหมดทุกคนก็มีพยาบาลที่คอนเจ่นนั่นแหละที่โรงพยาบาลศูนย์นั่นแหละคอยดูแลคอยรักษาอยู่อยากจะได้เครื่องอะไรท่านก็ซื้อให้ีทําบุญให้กับโรงเรียนให้กับโรงพยาบาล อเป็นโรคหัวใจก็ซื้อเครื่องหัวใจเป็นโรคอะไรก็ซื้อให้หมดแต่ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยเข้าวัดอายุมากขึ้นมากขึ้นแก่เป็นข้าห บ, บอดีในเมืองคดเก่งทุกวันนี้ยังมีลมหายใจอยู่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เรื่องแต่ร่วมยีสิกว่าปีก่อนทีนี้เป็นทุกข์หนักเป็นทุกข์พยาบาลชวนไปวัดไหนก็ไม่ไป นี่เป็นทุกข์กลัวกลัวตัวเองจะตายนี่คลุกฉลพัดอย่างคิดเป็นทุกข์หนักพยาบาลก็หลอกล่อให้ไปวัดไหนก็ไม่ไปก็เลยโชคดียังไงก็ไม่รู้เนี่ยพยาบาลชวนมาวัดหลวงพ่อก็เลยตัดสินใจมามาแล้วก็มาเล่าเรื่องทุกข์ให้ฟังลูกสาวก็ลูกชายก็ไปอยู่ที่เมืองนอกเงินทองก็เยอะแยะอืม กลัวตายเป็นทุกข์หนักก็เลยมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยบอกจะไปยากอะไรไม่ถึงเวลาตายก็ไม่ตายลกสองคนผัวเมียคู่นี้ตั้งแตแต่งงานกันมาเอาอย่างนี้ให้ทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนะไปจดรายละเอียดที่เคยทำบุญกันมาตั้งแต่แต่งงานกันมาตั้งแต่ก่อนยังไม่แต่งงานว่าทำบุญอะไรบ้าง ซื้ออะไรให้กับทางโรงเรียนให้กับทางโรงพยาบาลไล่มาจดมาราคาเท่าไหร่แล้วเอามาให้หลวงพ่อหลวงพ่อจะแผ่เมตตาให้ของนทีท่านก็เลยไปพากันไปไล่ไปจดมาทําบุญอันนู้นทําบุญอันนี้ไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องที่จะให้คิดไปถึงความตายความเจ็บก็เลยคิดตั้งแต่เรื่องบุญจดมาได้สองสามหน้ากระดาษ เอามาให้หลวงพ่อแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อยังไม่หมดนะพงศ์โจทย์ไปได้28ล้านยังไม่หมดยังเหลืออยู่อีกนะบอกกันเอออย่างนั้นก็ไปไล่โจทย์มาใหม่ก็ไล่ทบทวนของเก่ากลับไปกลับมาออทําให้ผู้เท่าสองคนนั้นมีความสุขขึ้นมีความสุขขึ้นนั่นแหละขณะทั้งที่ได้ทําบุญแต่ไม่เลอะลึกนึกถึงบุญ มีตั้งแต่คิดถึงเรื่องความตายไม่มีใครดูแลไม่มีใครช่วยเหลือเอาไปเอามาก็เลยจดรายงานมาส่งหลวงพอ่อแทบทุกเดือนแทบทุกอาทิตก็เลยอยู่กับกองบุญมีความสุขถึงหมดลมหายใจก็ยังอยู่กับกองบุญนั่นแหละท่านก็พยายามน้มน้าวจิตใจให้อยู่ในกองบุญเอาไว้ปันนี้ก็คงจะไปกันหมดแล้วมัง้งเนาะเพราะว่าช่วงนั้นมาหาก็เจ็บกว่าแล้ว หรือถ้าอยู่ก็อยู่อายุเป็นร้อยแล้วช่วงนี้พยายามอดเดอร์ผู้เฒ่าจะไปคิดตั้งแต่มีแม่บ้านหรือเปล่าล่ะฮะคิดถึงแม่บ้านลรวโกรธให้แม่บ้านเราไม่ไหวนะ <c oughs> คิดถึงแม่บ้านก็ทำบุญให้แม่บ้านชวนแม่บ้านมาวัดวงั้นนะมันถึงจะถูกอ่ะตั้งใจละพรกันอ่ะขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติ อดทนนั่งไปอีกสักนิดหนึ่งนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายฟังหลวงพ่อไปด้วยน้มสังเกตสร้างความะระลึกรู้สร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกม า, ายาวๆสักสองสามเที่ยว เพียงแค่เรื่องการหายใจพวกเราก็ขาดการสังเกตขาดการวิเคราะห์มากเลยทีเดียวทั้งที่ใจเป็นบุญปรารถนาอยากจะได้บุญปักไวในบุญบุญนั้นได้อยู่แล้วใจของเราปรารถนาที่จะมาทำบุญเพียงแค่ความสงบเรายัาง ดำเนินเข้าไม่ถึงบางทีบางครั้งบางคราวใจก็สงบแต่เราขาดผู้รู้คือขาดสติเข้าไปดูเราพยายามสร้างความรู้ตัวรู้กายรู้เท่ารู้ทันรู้แก่รู้กันอะไรคือใจลักษณะของใจที่ปกติเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรลักษณะของอาการของขันห้าความคิดผดขึ้นมาดังอย่างไร ใจเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรถ้าความรู้ตรวของเราต่อเนื่องเราก็อาจจะเห็นได้สักวันหนึ่งเราก็ต้องพยายามความรู้ตรวจที่ต่อเนื่องจากหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งจากนาทีเป็นสองนาทีสามนาทีเป็น 5, ห้านาทีเป็นชั่วโมง จนกว่าเราสติปัญญาของเราไปใช้ไปอบรมใจชี้เหตุที่ผลเห็นเหตุเห็นผลจนกำลังความรู้ตัวของเราสังเกตใจเคลื่อนเข้าไปรวมกับอาการอ ก, กันห้าใจจะพลิกจะหงายเหมือนกับหงายของที่ควา่าใจก็จะว่างกายก็จะเบาความรู้ตัวของเราก็จะตามค้นคว้ากำลังก็จะมากขึ้นจนกลายเป็นมหาสติ จากมหาสติก็จะกลายเป็นมหาปัญญาหยุดยังไว้ไม่หยุ่ตามดูตามรู้ตามเห็นความเกิดความดับกิเลสอยากกิเลสละเอียดอะไรคือสมมุติวิมุตติเหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลแล้วก็มันสร้างอันนี้สงส์สร้างบุญบรารมีให้เต็มเปี่ยมทั้งสมมุติทั้งวิมุตติ เพราะว่าสมมุติกับวิมุตตก็อาศัยกันอยู่เราต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ละเอียดทุกคนก็มีบุญอย่าไปคิดว่าเราไม่มีบุญทุกคนก็ปฏิบัติทำกันมาตั้งแต่เกิดแต่ความไม่เข้าใจเท่านั้นเองทำให้จิตของเราเข้าไปหลงเข้าไปยึดสารพัดอย่างเราก็มาค่อยคลายออกแต่เล็กแต่น้อย จนมองเห็นหุนทางเดินว่าเราจะไปอย่างไรมาอย่างไรกันสลงพ่อเคยไปอินเดียแต่เห็นหมู่บ้านเห็นตึกแถวใหญ่อยู่ที่ริมแม่น้ำคงคามีผู้เฒ่าผู้แก่ไปนั่งอยู่ไปอยู่แต่ละห้องแต่ละห้องมีตั้งแต่คนรวยรวยมหาเศรษฐี อายุมากให้ลูกให้หลานผ่าไปซื้อห้องเช่าห้องอยู่เพื่อที่จะเตี่ยมตัวตายอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีมากเลยทีเดียวไปนั่งวิเคาะไปนั่งพิางพจรารณาจะได้ตายอยู่ใกล้ๆ ก, กับแม่น้ำคงคาอันนั้นแสดงว่าเตี่ยมตัวตายมากันดีมากทีเดียวแต่มองแค่เพียงเพีิวเพิน จะนึกว่าเอาผู้เฒ่าผู้แก่ไปทิ้ง น, นั้นไม่ใช่ผู้เฒ่าผู้แก่นี้เขาไปเตรียมตัวที่จะอยู่ที่จะไปเตรียมพร้อมทั้งสมมุติทั้งวิมุติถ้าเรามามองดีๆก็จะเห็นของดีที่ผู้เฒ่าผู้แก่หวางเอาไว้ที่บ้านเราก็ยเยอะแยะก็ต้องพยายามกัน มันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบราร ม, มีความเฉสระของเราเต็มเปี่ยมหรือไม่ความเห็นแก่ตัวของเรามีหรือเปล่าเราพยายามขัดเก่าเอาออกเป็นผู้ให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบเป็นผู้มีความเฉสระมีสัจจะกัดตัวเราเป็นที่พึ่งของตนให้ได้ท่านถึงว่าตนเป็นที่พึ่งของตนสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละ เขาเรียว่าที่พึ่งของเราของใจที่เหตุที่ผลอะไรขวรละอะไรคนจเจริญอะไรคนดําเนินได้เท่าไหร่ก็เอาค่อยสร้างสะสมไปเรื่อยๆแม้แต่การจเจริญสติเราก็พยายามสร้างขึ้นมาให้ได้เอาไปใช้การใช้งานให้เป็นจนเห็นเหตุเห็นผลจนยอมรับความเป็นจริงได้ท่านถึงบอกให้เชื่อก็ต้องพยายามกันนะเอาสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีเนะ ว่ายปราพร้อมๆกันคอยไปสร้างสารรค์ต่อทำความเข้าใจให้รู้ทุกเรียบบท